ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากปาวิทธลัลศีปทุมกำลังนำเสนอเรื่องภาษาดิบุตรเทระในเทราคาถาขุตกะนิกายปัสัยบิดกเป็นข้อความที่ภาษาริบุตร กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามาโดยลำดับมาถึงช่วงที่ต่านกราส่งเสริมคุณสมบัติของพระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีหลักการปฏิบัติเคร่งครัดสวยงามแตกต่างกันดันกล่าวว่าสิทธิและบริษัทของพระองค์ องทรงแนะนําดีแล้วให้ศึกษาดีแล้วฝึกแล้วด้วยอุบายเครื่องฝึกอันสูงสุดร้อมล้อมพระองค์ทุกเมื่อพระพุทธเจ้านั้นได้นามว่าเป็นสารทีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารทีอื่นจะยิ่งไปกว่าทรงมีวิธีฝึกที่แตกต่างกันมากมายเหลือเกิน เพื่อถ้าเรามาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นประเด็นแล้วก็นำมาร้อยเรียงเป็นหัวข้อแล้วก็ใช้ไปนในหลักสูตรการฝึกทุกชนิดุกคนในฐานะหน้าที่ตำแหน่งต่างๆก็จะใช้ประโยชน์ได้อีกมากเพราะสุดยอดของผู้ที่ฝึกบุรุษเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้า แต่ว่าสังคมเราไม่ได้นํามาใช้ในภาคของการปฏิบัติทั่วไปพูดกันอยู่ในแวทวงของพระศาสนาเวทวงของพระกัะบเวทบงของการศึกษาของพระหรือบางครั้งบางคราวอาจจะไปพูดที่เกี่ยวกับการทําหน้าที่ครูสอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ แต่ว่ามีองค์กรเป็นอันมากที่เราขาดวิธีฝึกก็ทําให้มีปัญหาเรื่องขาดระเบียบวินัยจนถึงการไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองล่วงละเมิดของกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองนาน า, นาชนิดจนเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิิงคนนี้พึงดูตัวอย่าง การเสด็จไปโปรดผู้ปัญญาวคีในครั้งแรกพบ ก, กันแล้วปัญญาวคีตั้งตัวเป็นศัตรูต่อต้านคัดค้านปฏิเสธการศัสรูของพระองค์วิธีการก็คือต้องพูดให้ยอมรับนับถือศรัทธาพร้อมที่จะเชื่อแล้วก็พร้อมที่จะฟัง การสั่งสอนของพระองค์ก่อนในครั้งแรกก็ทรงอธิบายปวดร้ก็เถียงขัดขด้นในในทื่อุดก็ทรงให้ทบทวนดูว่าพระองค์เคยรับสั่งว่าพระองค์ได้บรรลุอริตธรรมมาแล้วหรือไม่อยู่รวมกันอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาถึงเรียกว่าห้าปีกว่าร่วมหกปี ปเจวกตีต่อว่าไม่เคยได้ยินแล้วก็ทำให้ยอมจำนนหมายความว่าฟังธรรมเทศนาในครั้งแรกก็ฟังแบบยอมจำนนแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าจิตใจจริงๆนั้นยังไม่ค่อยเชื่อหรอกพระก็เลยปล่อยให้ความกระหายที่จะฟังที่จะพิสูจน์เนี่ย มันเพิ่มปริมาณขึ้นก็ปล่อยเวลาผ่านไป24ชั่วโมงนะครับพบการตอนเย็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ประเทศตอนเย็นของวันขึ้น15ค่ำเดือนเดือน8เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการแสดงเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอ น, นตอ น, ป น, ตอนไปแก้ปัญหาไปโดยลำดับ จบลงด้วยท่านอัญญาโกณธัญะญได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพัะโซดาบันแต่กะกีพยานในการสัสรูของพระองค์ว่าธรรมะที่ทรงสัสรูมานั้นสามารถที่จะช่วยให้บุคคลอื่นสัสรูตามได้จริงและจากนั้นก็ทรงใช้วิธีฝึกฝึกแจกเดียวมาเลย นาความมาเรียกมาฝึกทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์งคงคสวันวันละองค์วันที่หแาเรมห้าค่ำเดือนแปดก็สงเทศานะนะัตตลกักณสูสุถ้าเราดันอยู่ในสภาพพร้อมแล้วเพราะว่าเป็นประโสดการณ์หมดแล้วเทศไปแล้วก็บรรลุมรคลเป็นพระหรันนายเกสีได้เคยกราบทูลถามต่อพระองค์ ถึงวิธีการฝึกคนโดยครั้งแรกพระองค์รับสั่งถามนายเกษีก่อนายเกษีเป็นสาระเนสารตีที่ฝึกมานะฮะฝึกม้ากับฝึกช้างเพื่อใช้ในราชการสงครามรับสั่งถามว่ามีวิธีฝึกช้างฝึกม้าอย่างไรนายสารนายเกษีก็บอกว่าฝึกด้วยวิธีหยาบตามด้วยละเอียด หรือว่าละเอียดได้เลยรับสั่งถามว่ามีบ้างไหมที่ฝึกไม่ได้เลยแม้ใช้ทั้งสองธีแล้วแกก็กราบทูนว่ามีแต่มัาจากการยังไรกับคนที่ฝึกไม่ได้แต่มาช้างที่ฝึกไม่ได้เกสีก็บอกว่าก็ฆ่าเสียเพื่อไม่เสียชื่อสำนักของอาจารย์ แล้วเขาก็ย้อนมากราบทูลถามพระองค์ว่าพระองค์มีวิธีฝึกคนอย่างไงพระองค์บอกว่าเหมือนกันคือบางคนเราต้องใช้ยาบตามด้วยละเอียดเขาเรียกว่านิกะหะมุขะเทศนาคือกำราบก่อนปราบให้ลดพยศก่อนแล้วก็ค่อยตามสอนในการพายลัง อีกพวกหนึ่งจิตใจเขาอ่อนโยนเขาพร้อมที่จะฟังก็ใช้แบบเขาเรียกว่าอนุกหามุขคเทศนาคือหมายความว่าทรงใช้วิธีที่นิ่มนวลอนุเคราะห์ก็คือวิธีที่นิ่มนวลอ่อนโยนพูดจาให้เกิดขวัญเกิดกำลังใจเกิดความกระหายเกิดความเชื่อมั่น แล้วก็มีหลการวิธีปรับสภาพความพร้อมอีกเป็นนันมากนะฮะคือสรุปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีแนะนำดีเนี่ยมันจึงมีความหลากหลายคำว่าแนะนำดีสอนคนคนเหมือนกันแต่ว่าสอนไม่เหมือนกันแต่ว่าบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกันนั่นคือลักษณะเด่นแล้วก็ให้ศึกษาดี ้ะความไม่เช่นกรรมฐานอย่างเนี้ยรุ่กรรมฐานก็สรงแสดงมาเยอะแต่ว่าทรงเห็นว่าใครจะสามารถได้ประโยชน์จากวิธีใดก็ทรงสอนโดยวิธีนั้นคือไม่ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็ทั่วไปแก่คนทุกคนมาใช้วิธีเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย ที่มันง่ายก็คือแนวของอนาปาณสติเนี่ยเพราะว่าดูลมหายใจเข้าออกนับลมหายใจเข้าตามลมหายใจเข้าออกนมันเป็นเรื่องที่อยู่กับเราแล้วไม่ใจะใช้เมื่อไรก็ได้แต่ว่าก็ต้องใช้สติต้องใช้สัมมัยชย์ยะต้องใช้ความเพียรแล้วก็ทรงมอีอุบายในการฝึก เครื่องฝึกจิตอันสูงสุดมันก็ตายไปตามลาดับอยาแนวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเห็นมันเป็นลาดับจากเรื่องหยาบหยาไปก่อนแล้วก็ข้าวไปสู่เรื่องละเอียดอยงเรื่องวาจาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสื่อสารกันมากวันๆเนี่ยเราฝึกซะก่อนและต่อไปเป็นการกระทาทางกายคือศีลสามข้อแรก แต่จากนั้นเป็นเรื่องอาชีพอาชีพเป็นเรื่องละเมียดละไมมากการแยกระหว่างอาชีพสุจริตกับทุจริตนี่แยกยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการธรรม า, ากินของคนในสมัยปัจจุบันเราจะบอกว่าอย่างนี้สุจริตอย่างนี้ทุจริตไปเลยเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีองค์ประกอบอีกเยอะจึงจะวินิจฉัยได้เพราะนั้นก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะมาก แล้วก็ที่สาคัญอย่างยิ่งคือกายวาจาเราสํารวมได้จะน้อยที่สุดเวลาประกอบอาชีพนั้นก็จะไม่ทุดจริตทางกายกับทางวาจาโดยเฉพาะการทำมาค้าขายมันก็สื่อสารกับทางวาจาส่วนใหญ่แาวาจีมันสุดจริตมันก็ปกป้องอาชีพได้อีกเยอะแล้วนี่ก็วีมีวิธีฝึกก็ตายขึ้นไปเรื่อย เรียงเป็นศีลสมาธิปัญญาในเรื่องไตรสิกขาแต่พอเป็นอาเดียมารเนี่ยเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิเรียงลำดับผิดกันนั่นก็คือความหลากหลายของอุบายวิธีแล้วก็บอกว่าถ้าเหล่านั้นเพ่งฌานคือหมายความว่าได้ฌานแล้วจเจริญฌานแล้วก็อยู่ในฌานก็เพ่งฌาน เพ่งเพื่อเกิดฌานแล้วก็เพ่งตัวฌานแล้วก็เพ่งเวลาเข้าฌานแล้วก็ยินดีอยู่ในฌานเพราะมันมีความสุขมีความสงบมีความเย็เยนแต่นักปราชคือมีความรอบรู้แตกฌานในเรื่องศาสนานะแต่ส่วนใหญ่พระสมัยนั้นท่านแตกฌานในทางไตรเพศมาเยอะหมายความมาแต่และฝ่ายท่านก็แตกแตกฌาน ในวิชาการที่นิยมกันในยุคสมัยนั้นตามวันนะของท่านมันไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยเราก็เอาคนไม่รู้เนี่ยมาสอนบางทีหนังสือยังอ่านไม่ออกเลยเอามาเรียนมาศึกษาในปัจจุบันก็อ่านหนังสือออกได้ปัญญาตรีปรัญญาโทไปแล้วบางทีก็ได้ปัญญาเอกไปแล้ว แต่ว่าเธอก็บวชไม่กี่วันบวชสิบสี่สิบ้าวันเธอก็สึกหมดแล้วเพราะในการฝึกนี่มันมันจะยากขึ้นแล้วก็ความสามารถของผู้ฝึกมันก็อ่อนร่อยห่างไกลจากพระพุทธเจ้ามากมายกก่อนแต่ก็สรุปแล้วก็คือว่าก็พยายามจะเดินโดยเสร็จตามรอยอยุคนบาทของพระองค์นั่นเอง แต่ว่าผู้ฝึกเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เสร็จแล้วคือเสร็จจิตแล้วไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วเรียกว่าลงตัวเมื่อจะเทศเมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องยังไงเมื่อไรก็ทําได้ทันทีก็จิตก็สงบแต่ละท่านเนี่ยมีจิตสงบทวนใหญ่นะฮะเป็นพระยาบุคคลขึ้นไปได้ฌานขึ้นไปแล้วก็จิตสงบแล้วก็ตั้งมั่น หมายความไม่บอกแวกไม่สับสนไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแล้วก็เป็นมุนีมุนีคือเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ที่ความรู้มันผุดขึ้นภายในจิตด้วยพลังแห่งความสงบแล้วก็ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของความเป็นมุนี คุณสมบัติ อ, อื่นคือมีความปรารถนาน้อยหมายความไม่โลภได้รับอะไรมาเขาถวายอะไรมามากๆช่วงนั้นไม่ว่ากันคือเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่คนอื่นต่อไปแต่ว่าช่วงบริโภคใช้สอยช่วงเก็บสะสมเนี่ยช่วงบริโภคใช้สอยจะใช้สอยเท่าที่จําเป็นแต่การเก็บการสะสมถ้าเก็บไว้เพื่อ อนุเคราะห์คนอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอย่างที่เคยบอกนะว่าพระสมัยนี้นี่ถูกดเรี่ยเยอะมากเรียกว่าทุกเดือนแหละมีแต่กี่ครั้งเท่านั้นเนองคนถ้าเราไม่มีอะไรเก็บเอาไว้เราก็ลำบากอยู่ยากมันไม่ได้เหมือนกระชาบบ้านก็เงินก็เข้ามาเป็นระบบแต่พระก้อนนา น, นานก็จะมีสักครั้งหนึ่ง พอนมีอะไรที่อายุใช้งานได้มากๆก็เก็บเก็บไปเพื่อบำเพ็ญกุศลเดี๋วกาสต่อไปเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆงานศพงานอย่งน า, น ง, านงนั้นงานอย่างนี้งานวัดบกทอดกระทิ่นโ ด, โดยเฉพาะยิงคือปพูพะป่าเนี่ยมันมีทั้งปีก mm hmm. ็สรุปว่าใจยังไม่หวานไวเพราะตัวการใหญ่มาอยู่ที่ช่วงบริโภคนะฮะช่วงบริโภค ถ้าปฏิบัติในช่วงบริโภคได้ช่วงรับไม่แปลกมากก็ได้แต่อย่าไปยึดเอาไว้ช่วงแจกจ่ายนั้นก็แจกจ่ายได้เต็มที่แต่อย่าให้เดือดร้อนเพราะถ้าเดือดร้อนแล้วก็ลาบากเหมือนกันหรือให้เฉพาะในสิ่งที่เรามีมีจะให้หรือมีกำลังจะให้มีความสามารถจะให้ก็ให้แต่ถ้าไม่มีก็ก็คือไม่มี การต่อไปก็คือมีปัญญามีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆทั้งคดีโลกและคดีธรรมเป็นนักประหลาดมีอาหารน้อยคือมักน้อยมันก็อาหารน้อยนะคือกินแต่น้อยตัวอย่างอัตภาพไปเป็นไปแล้วจิตใจก็ไม่รู้เลคือจิตใจที่โลเลมันเป็นจิตที่ถูกบงการด้วยกิเลส นี้เมื่อเราบงการกิเลสเองได้กิเลสก็บงการเราไม่ได้อันนี้ไม่มีกิเลสจะบงการด้วยเพราะว่าทําลายกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นถ้าก็ไม่รู้เลยยดีทั้งลาบและความเสื่อมลาบคือหมายความว่าใจนั้นจะคงที่เสื่อมลาบก็คงที่ได้ลาบมา ก, ก็คงที่คือไม่ไม่โลภอยากได้ แต่ในขนาดเดียวกันเมื่อไม่ได้ก็ ก, ก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราถ้าฝึกตัวเองมาบ่อยๆซ้ํา้ากนะซ้ำซากฝึกมาบ่อยๆมันจะมีอะไรก็มีไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ไม่ว่ากันก็เรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปไม่สุดโก ม, มากเกินไปท่า น, นั้นเองเพราะถ้าร่างกายอยู่ไม่ได้อย่างอื่นมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็บอกว่าท่านเหล่านั้นถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้พูดถึงเรื่องธุดดงอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดเทยวบินท่า บ, บาทเป็นวัดนุ่งหมาา่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอะไรต่ไรต่างๆก็มีอยู่สิบสามข้อเดียกันเป็นวัดปฏิบัติพิเศษไม่ไม่ใช่วินยัยแต่ว่าเป็นธรรมปฏิบัต ที่เสนอให้เลือกเออถ้าไม่สามารถจะฝึกปลืนตัวเองได้ก็ลองใช้วิธีนี้บ้างมีครูบาอาจารย์เป็นอันมากที่ที่เสียงเด่นดังกันอยู่ในสมัยนี้ก็เหมือนกันนะออกจากป่านะฮะออกจากป่ากันทั้งนั้นนะแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมันไม่มีโอกาส เพราะว่ามันมีความต่อเนื่องในในชีวิตอ่ะที่จะต้องรับผิดชอบอามาเองเคยตั้งใจเอาไว้ในสมัยที่ไปจบปัญญาโทมาจากต่างประเทศแล้วก็ไปติดต่อผู้เขาวไว้แล้วนะก็ไม่ยมจะสนับสนุนทนุบำรุงความเป็นอยู่ก็คิดว่าจะไปอยู่ในที่นั้นสักปีหนึ่งอยู่คนเดียว กลางวันก็จะโค้นค ว, วา้าปัตยบิดุอัตตกถาอีกากลางคืนก็จะเจริญกรรมาฐานแต่ทำอย่างนี้นั้นสักปีถึงปรากฏว่าพอมาถึงกุฏิเจอคำสั่งติดอยู่หน้าห้องบรรจุให้เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นหัวหน้ากองเผยแผ่จากเจ้าพัุณสมเด็จในฐานะที่เป็น ตอนนั้นท่านเป็นประธานนะครเป็นประธานสภาการสารมัคคุปต์ราติยาลัยเราก็จนเรื่องเล่าจากนั้นมาก็ทํางานมาเรื่อยงานติดต่อไม่ได้เรื่อยจนงานบางงานเนี่ยเราไปไม่ได้เพราะงานสอนเป็นงานใหญ่นะฮะงานสอนนี่เป็นงานใหญ่เพราะถ้าเราไปคนหนึ่งนักศึกษา สูญเสียผลประโยชน์เยอะแต่งานอื่นเนี่ยเราขาดไปคนหนึ่งไม่เสียหายอะไรครับเวันเราก็จะอยู่กับอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์มากเราก็จะอยู่ในที่นั้นเราไม่สามารถที่จะแบ่งภักได้บางทีเรื่องใหญ่ๆโคนคุ้นๆกันนะท่านอาตจจมาณภาพไปผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัดมรณภาพไปข อ, อนมนมูลมาเอาพอดีเราก็ติดสอนทั้งเชา้าทั้งบ่าย ไปแล้วก็ต้องขาดไปตักสองวันไปไม่ได้ขาดไปสี่รายการนะฮะเปื่อไปเทศหนึ่งรายการกับเผาอีกหนึ่งรายการแต่ว่ามันรักศึกษาไม่ได้ประโยชน์อยากโยมไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเราขาดไปเราก็ต้องอยู่อย่างนี้นี่ก็คือบางที่นี่โอกาสที่จะไปเจริญทุดงนะตามรูปแบบอย่างนั้นเราก็ทําไม่ได้ แต่ว่ามันสำคัญว่าอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราสำคัญที่ว่าเราตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขานั่นแหละแล้วก็เพ่งฌานนะมีจีวรเศร้ามองนี้ก็แสดงว่านุ่งหุมผ้าบางสกุลจีวร ย, ยิ่งในวิเวกนี้ก็คือวิเวกสงบสถานที่อยู่นะสงบในสถานที่อยู่ สงบกายสงบวิจาแล้วก็สงบจากกิเลสเป็นนักปราชญ์ค้อมล้อมพระองค์อยู่เสมอท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในผลเป็นพระเสขะเป็นพระเสขะหมายความว่ายังไม่เป็นพระอระหันต์อาจจะเป็นพระโสดาบันสกิตาคานาคาแต่ว่ารองลงมากว่านั้นคือพระสามัญทุ่ไปเนี่ยพระพุทธชนทั่วไป ก็ต้องอยู่ในกลุ่มของเสขะด้วยคือกําลังศึกษาด้วยแต่ว่ายังไม่เข้ามาฐานจริงๆนะคล้ายๆกับขอร่วมฝั่งร่มเรียนอยู่ด้วยเพราะว่าเกณฑ์มันอยู่ที่ดับกิเลสด้วยเกณฑ์เสขาเนี่ยพรั่งพร้อมด้วยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็คือปัญญาเพิ่มขึ้นความมีสุดพผมเพิ่มเพิ่มขึ้นความการุณาเพิ่มขึ้นวางประโยชน์อนุดม ท่าเหล่านั้น ท, ทั้งท่านที่เป็นโสดาบัน ท, ทั้งท่านที่เป็นสักกาคามีทั้งท่านที่เป็นอนาคามีทั้งท่านที่เป็นพระหานเป็นผู้ปราศจากมณฑินตามลําดับนะคือว่าพระโสดาบันก็ปราศจากระดับหนึ่งนาคาสักการะก็ระดับหนึ่งสมบูรณ์จริงๆปราศจากมณฑินจรนิงๆเนี่ยมณฑินมีทั้งเก้าข้อนะแต่ปราศจากมณฑินจริงๆก็หมายถึงพระอระหรันต์ พระษาวอกของพระองค์เป็นนั้นมากเป็นผู้ฉลาดในสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่เป็นพระสูตรพระสูตรที่มีปรากฏหลายแห่งคือมัชิมานิกายก็มีนะแล้วก็ที่ยาวที่พูดกันมากเนี่ยคือม า, าสติปัฏฐานสูตรเป็นการศึกษาเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตแล้วก็เรื่องธรรมะ โดยโดยใช้สติสัมจัญญาและความเพียรตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายกายก็แยกเป็ น, นส่วนๆไปตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ต่อไปก็เรียบบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนต่อไปก็ทุกอเรียบบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทุกสิ่งทุกอย่างคู่แขนเลวเออเหยียดแขนอะไรอะไรทุกทุกอย่างมีสติกํากับหมด ถ้าทำได้ก็ดีไปแต่ยังไม่ได้ก็ไปที่พิจนากายในส่วนย่อยของร่างกายที่เรียกว่าการสามสองมีผมคนเลือดฝันหนังเนื้ออินกระดูกเยอะในกระดู ก, เ, ก, ดกเป็นต้นเนี่ยพิจนาไปครั้งแรกก็ใช้บริกรรมก่อนแล้วก็มือใจสงบจดจ่ออยู่ได้แล้วเริ่มพิจนา ทิจณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยสิ่งปฏิกูลต่างๆเพื่อให้เห็นความปฏิกูลเนี่ยวดยตามปกติแล้วเราก็ลงอยู่กับร่างกายตนเองแล้วกายคนอื่นโลกมนุษย์มันก็ยุ่งๆอยู่อย่างเงี้ย่ถ้าเห็นก็ดีไปแต่ไม่งั้นก็แยกกายเป็นธาตุ เป็นส่วนธาตุน้ำเป็นส่วนธาตุดินเป็นส่วนธาตุลมเป็นส่วนธาตุไฟเอา4ีธาตุก่อนถตาอย่างไม่ไปไหนก็ข้าป่าช้าเลยไปศึกษาจากสักศพในป่าชา้าไอ้นี้สมะสมบคนที่มีตัณหาจะดิบกล้าปัญญาไม่มากแล้วก็มักจะสยบยึดติดกิจก็สายไปแนรวรวมต่างๆ หรือความกำหนัดขัดขืนรูปหลงบวมเมานะฮะส่วนใหญ่ก็กำหนัดกับขัดคืนนั่นแะหละยุ่ง ม, มากแล้วก็พวกอีกพวกหนึ่งนั้นตัณหาจริบไม่กล้าปัญญามากมันจะติดในตัวสุขเวทนาคือสุขที่เราได้เนี่ยสุขที่สุขกายสุขใจโดยเฉพาะยิ่งก็คือสุขใจก็ติดที่สุขใจเพราะว่าไอ้ตัวความสุขนิจใจมันเป็นผู้เสวยไม่ใช่กายเป็นผู้เสวยนะ ใจปเป็นผู้เสวยคล้ายๆกันเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยแย่เวลานี้เราจะเห็นว่าหมอผ่าตัดบางฉีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยตั้งแต่ผ่าจนหายเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเจ็บตัวไหนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าหมอเขาให้ยาไว้เอายาไปควบคุมไว้ฉีดยาชาไว้แล้วก็ในขณะที่ยาชาหมดฤทธิ์เขาก็สะกดไว้ด้วยยาแก้ปวดมันก็ไม่ปวด แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจจะเป็นตัวรู้ว่ามันไม่ปวดเพราะอะไรใจก็รู้สึกสบายเพราะอะไรเพราะมันไม่ปวดแต่สมมติว่าปวดเนกายแกรู้สึกไหมแกก็ไม่รู้สึกอะแกก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าใจไม่ไปไม่ไปรับนะฮะไม่ไปรับว่าเราปวดมันปวดก็สัตแต่ว่าปวด เราก็ศึกษาเรื่องเวทนาแบ่งเวทนาเป็นในที่นี้ก็แบ่งเป็นเก้าระดับด้วยกัแล้วศึกษาเรื่องจิตจิตก็แบ่งเป็นคู่คู่จิตมีกิเลสกับจิตไม่มีเกศไม่จิตมีธรรมะกับไม่มีธรรมะหรือมีกิเลสกับไม่มีกิเลสเน่ย เ, เ, เป็นคู่คู่ดูจิตตามที่มันปรากฏในขณะนั้นๆัแล้วจากนั้นก็ไปศึกษาเรื่องนิวรเรื่องอายตนะเรื่องเกียกับสังโยชน์ พูดชงอริยสัจไปน้นเลยก็จบกันเลยเรื่องวิจิตพิสดารมากคือพอบรรยายเข้าไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกันหมดตอนอธิบายมหาสติปัฏฐานเพียงประสูตรเดียวแล้วก็โยงไปนั้นไปนี้ไปโน้นไปเชื่อมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเพราะเพราะอะไรเพราะกรอบใหญ่เนี่ยมันมันอยู่ที่สติปัฏฐานหมดแล้ว เพราะอะไรเพราะอริยสัจสีมันอยู่ที่ตรงนั้นโดยจะพูดรูปนามมันก็อยู่ที่มาสติปัฏฐานหมดแล้วแต่นั้นจึงพูดเรื่องเหล่านี้กันมากแต่การสาส่วนใหญ่มันก็เอาหลักเนี้ยยึดหลักของมาสติปัฏฐานแต่ต้องเข้าใจว่าพระสูตรทุกพระสูตรเนี้ยมันก็เนื้อหาเดียวกับมาสติปัฏฐานนั่นแหละเพียงแต่ว่าจุดเน้นมันแตกต่างกันจุดเด้นไม่เหมือนกัน อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระสารีบุตรว่าคนที่มีความดำริผิดเป็นโคจรเป็นทางดาเนินของจิตจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเขาจะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระทีนี้ถ้ามองตรง มีความดลิชชอบเป็นทางดำเนินของจิตมองชัดแจ้งตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เป็นสาระก็คือเป็นสิ่งที่เป็นธาระไม่เป็นสาระก็คือไม่เป็นสาระเขาจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะมีความดนิชชอบเป็นทางดำเนินของจิตตัวอวัยวการพิจนาจิตธรรมเวลาทิ้งอยู่หนึ่งมันก็ไปพิจารณาว่า แล่กายเป็นต้นเนี่ยก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่ธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอ่าก็แสดงว่าไร้สาระเหมือนกันคือเข้าใจในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแล้วก็มีความเข้าใจชัดเจนในสุดตัญหาอุปทานมันก็ลดลดลงไปหรือจะยกเรื่องอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้น ก็ความในตอนหลังนี้ยังมีภาษิตเป็นชุดเป็นชุดนะครับแล้วภาสิตที่ไพเราะมากด้วยเป็นธรรมะที่ที่ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าตั้งใจจะนำไปประพฤติปฏิบัติมันก็ปฏิบัติได้ระดับหนึ่งส่วนจะส่วนใหญ่สมบูรณ์จริงๆมันก็ว่ากันไปเป็นรายๆายไปเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้เราจะเห็นว่า เป็นหลักการปฏิบัติที่เดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติกันอยู่อย่างเงี้ยก็บอกว่ายินดีในการเจริญโพชงโพชงที่จริงก็มีอยู่ในมหาสติปัฏฐานนะก็คือสติธรรมวิจเจยวิริยะปิติปัปสสิสมาธิเบคาก็เจ็ดข้อเลยกันสติก็คือสมาสติ ธรรมวิจยะก็คือสมาธิทิสมาสังกัปะวิริยะก็คือวิริยะดิติปัตสัทธิสมาธิุเบคาก็คือสมาธิก็ตัวอารมณ์ที่พิจารณาก็พื่เพื่พวกนี้พวกกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแล้วก็ ถ้าเหล่านั้นเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาทอิทธิบาทก็คือคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาปสิทประการก็คือฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นนั้นบริยัความเพียรพยายามประกอบประพฤติธรรมในสิ่งนั้นๆจิตตาจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ในสิ่งนั้นนั้น ปุ้ยภาษาการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งนั้นๆแล้วก็ยินดีในสมาธิภาวนาก็คือสมถะภาวนาจะเน้นไปที่สมถะภาวนาแล้วก็รวมถึงวิปัสนาภาวนาด้วยนั่นแหละเรียกว่าจิตทัพภาวนาเรียกรวมมิทีหนึ่งก็เรียกว่าจิตพภาวนามันประกอบความเพียรในสมปาธานก็คือเพียรพยายามในการป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ขจัดบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลที่เกิดมาขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมถ้าเหล่านั้นเป็นผู้ได้วิชาสาวิชาสามก็คือปุเพนวานสาติญาระลึกชาติปางก่อนได้จุตูปปาติยานรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเรเป็นไปตามกรรมแล้วก็อาสวกคยาน ยาณที่ทำอาสวะคือสัพกะเละทั้งหมดไปสิ้นไปก็มีอภิญญาหกถึงที่สุดแห่งฤทธิ์ถึงที่สุดแห่งปัญญาอภิญญาหกก็เราก็เจออยู่หลายครั้งแล้วนะฮะคือเป็นมโนมยิธิมีฤทธิ์ทางใจอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้เจโตปริยาณรู้ใจทายใจบุคคลอื่นได้แล้วก็ ปุเพนวาสาติญาณหรือชาติได้ทิพยสุตาชิพแล้วก็ถึงที่สุดแห่งฤทธ์ก็คือสุดแห่งความสำเร็จแล้วก็มีฤทธ์นะฮะมีฤทธ์จริงจริงว่าที่ว่าเนี่ยผูดถึงฤทธ์จริงจริงเป็นเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติหรือผลมาจากตั้งแต่โนนะตั้งแต่พิญญามา พิญญาที่เป็นโลกิยะมาก็เริ่มมีฤทธิ์แล้วอย่างสมัยที่ท่านเป็นดาวบทช่างก็ได้พิญญาก็มีอทธิฤทธิ์มาแล้วแต่ว่าตอนนี้พูดถึงพระทั่วไปก็หมายความว่าสุดๆเนะี่ยมันมันก็ออกมาสองทางคือถึงที่สุดแห่งฤทธิ์จะถึงที่สุดแห่งปัญญาก็อิงอาศัยกันนะหมายความว่าต้องถึงที่สุดแห่งปัญญาก่อนแล้วก็ถึงที่สุดแห่งฤทธิ์แล้วก็ บอกว่าข้าแต่พระหมหาวีระเจ้าบรรดาศิษย์ของพระองค์เช่นนี้ศึกษาดีแล้วหาผู้เสมอเหมือนได้ยากมีเดชรุ่งเรืองห้อมล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อพระองค์งานศิษย์เหล่านั้นผู้สํารวมแล้วมีตาบะห้อมล้อมแล้วไม่ทรงขั้นครามดังราชสีย่อมงดงามดุดดวงจันทร์ คือท่านสันเสริญพระพุทธเจ้าสุมพระนามว่าอนุมัติสีมาแล้วมาถึงชาติปัจจุบันก็สันเสริญพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนที่สันเสริญพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระอรหรันต์นะแต่ว่าตอนที่สันเสริญท่านอนุมัติสีนั้นท่านเป็นกัลยาณปูธชนแต่ก็ได้อภิญญาก็มีความรอบรู้มีความฉลาดสามารถไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน ต่อไปก็เป็นการเปรียบเทียบว่าต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินย่อมงอกงามถึงความเจริญไพ่บูรณ์ร่อมเพ็ดผลชันใดก็แต่พระองค์ผู้ศักยบุตรผู้ทรงมีประยชน์ใหญ่ผู้ทรงเป็นเช่นกับแผ่นดินก็คือไม่หวั่นไห ว, น, ห น, ว น, นั่นอย่างหนึ่งแล้วก็หนาแน่นนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายนั่นอย่างหนึ่งคือ ปัญญาเสมอ้วยแผ่นดินนี่อุปมาได้หลายหลายเรื่องนะฮะคือเราสามารถที่จะมองแผ่นดินแล้วก็เทียบเทียบกับปัญญาของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินเราจะเห็นว่าแผ่นดินนั้นไม่ยินดียินร้ายและใครจะทำอะไรจะทิ้งของโสกปรกลงไปหรือทิ้งของสะอาดลงไปแผ่ดินก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรแล้วก็ ศิษย์ทั้งหลายดำรงอยู่ในาศาสนาของพระองค์แล้วย่อมได้เอามารุตรผลคือผลได้แก่หยิบที่พ้นจากอำนาจของกิเลสก็คือไม่ตายแล้วก็พูดถึงแม่น้ำแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยแม่น้ำดังๆเขาเรียกว่าปัญจามานาทีอันนี้เลยไปนะฮะมากกว่าปัญจามานาที ท่านบอกว่าแม่น้ําทั้งหลายคือแม่น้ําสินธูแม่นม้ําสระศรีแม่น้ําจันทภากาแม่น้ําคงคาแม่น้ํามยมุนาแม่น้ําสรภูและแม่น้ํามหีคงคายมุน า, มม า, า, นาสรภูและมหีนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าปัญจมหานาทีน้อ น, นั้นก็เป็นแม่น้ํำดังๆที่เกี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้า แม่น้ำจันทภากานี้ก็เป็นแม่น้ำที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปต้อนรับพระมหากรพีนาคือเป็นกษัตริย์ทานออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้ า, ท, าจทิ้งราชสมบัติเทิ้งราชสมบัติทิ้งพระมเหสีพระเจ้รถราชสมบัติหมดเลยออกบวชพร้อมเดือมหมาที่เดียวพันคนค่ายรายการผู้ใหญ่ตัางนั้นออกบวชคือหน้า หน้าครึ่งนะฮะคือเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในประเทศชาติเยอะแต่พอบารมีมันแกกร้าแล้วเนี่ยก็คนอื่นเขาเยอะไปเพราะตําแหน่งในทางเป็นคารวาสนั้น เ, น, เ น, เนเขาก็แย่งกันอยู่นะโดยเฉพาะทางการเมืองในท็อปก็แย่งกันอยู่แล้วก็คนดีเด่นดังขึ้นมาในเพื่อนก็อยากให้ตายแต่โดยซ้ำกลัวมันจะขัดขวาง ความเจริญของตัวเองความตื่นรา่าของตัวเองตรงนั้นการสลากค่อนท้างก็มีเหตุผลเพราะว่าคนที่ต้องการจะได้เนี่ยก็จะได้แต่เขาจะแย่งกันก็คือก็คือเขาหรือเขาแย่งกันเดมแต่ไม่ได้มีไปส่วนไปแย่งอะไรกับเขาด้วยแม่น้ําเหล่านี้ก็ไหลามาแล้วก็ลงทะเลทะเลรับได้ทั้งหมด รากฏว่าเป็นทะเล เ, เท่านั้นแต่วันนาทั้งสี่เนี่ยปัญหาวันนาทั้งสี่คือกษัตริย์พระแผดสูตรตามปกติพวกนี้จะไม่รวมกันก็ต่างแยกกันเป็นเอกเทศมากบางทีก็มากเกินไปด้วยซ้าไปแต่ว่าในพระพุทธศาสนาเราไม่มีวันนาร า, ารารหลานเราก็มีทุกวันน่ะ ราคาพระตากาต า, าพระนาการพระอัฏฐโสดาบันเราก็มีอยู่ทุกวันนะ้แล้วก็เมื่อเป็นพระแล้วก็ไหว้กราบสักการบูชากันโดยไม่สนใจวาชาติกําเนิดท่านจะเป็นอะไรท่านเป็นใครมาก่อนไม่สําคัญครับพระโมคคลลาน่าก็เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนราชาหมหากษัตริษานาประชารัศดรพระภิกษุทั้งหลายเหมือนกันกับคนเหล่าอื่น อดีตเป็นเรื่องของอดีตมันจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ทำไปแล้วแล้วต่อไปถ้าจะเกิดรับผลกรรมก็เป็นเรื่องที่ทัานรับผลกรรมแต่ว่าในขณะนั้นท่านเป็นพระอาหารหันตะ์พระอรหันต์ไม่มีวันนานเนี่ยทุนคนจะให้ความเคารพนับถือเสมอกันแต่แน่นอนแหละสามัญชนยังไงยังไงก็มีความรู้สึกแบ่งแยกอยู่แหะ เราจะพบว่าไม่ว่ายุคสบัยใดก็ตามพระที่จเจริญด้วยครบสามอย่างเนี่ยฮะก็คื อ, เ, อเกียรติยศบริวารยศอิสรยศเนี่ยสามอย่างซึ่งทั้งหมดเนี่ยแม้แต่เกียรติยศเองก็ได้รับยกย่องไม่ทัดเทียมกันไม่เสมอกันเพราะนั้นก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติ คุณสมบัติของท่านเหล่านั้นบารมีของท่านเหล่านั้นสึ่งอยู่เบื้องหลังชีวิตของท่านเหล่านั้นแล้วก็ปัจจบันคือภารกิจที่จะปเกี่ยวข้องกับนาประชารัศดรเนี่ยมากมายขนาดไหนล่ะถ้าบางรูปท่านมีคุณอุปการต่อสังคมเยอะเรามีฤทธิ์มีอำนาจเยอะช่วยอะไรสังคมได้มากเกียรติคุณของท่านก็มากแต่ว่านั้นไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่เนื้อหาของการบวชเป็นพระแต่ว่าให้แสดงให้เห็นว่าเอาเข้อจริง มันก็มีความแตกต่างอยู่ในด้านการมองมาจากข้างนอกมาความมาในสังคมสงเองนั้นอยากให้ความเคารพนับถือกันเหมือนเดิมแต่ถามประชาานมองยังไงล่ะพระองค์นี้เคยเป็นโจรมาก่อนพระคนนี้เคยเป็นขอทานมาก่อนพระองค์นี้เคยเป็นกรรมกรมาก่อนเนี่เขาคิดอย่างไงมันก็ว่ากันตามไปตามตามความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน บอกว่าวันหน้าเหล่านี้ละชื่อเดิมทั้งหมดปรากฏว่าเป็นพุทธบุธตรปณพระสมัยนั้นเขาเรียกว่าสมณะสกิยบุตรเขาไม่ได้ค่อยถามชื่อไม่ช่วยรู้จักชื่อกันหรอก เ, เรียกสมณะสกิยบุตรคือสมณะผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า แม้แต่ระบบวัญหที่ตโปานาชีนะฮะที่ตาโปทานาทีที่ใกล้เวฬุรันธุพฤใกล้ถ้ำปิผลิของพระมหาคัสสปะตอนที่ไปเดียก็คงเคยไปมาแล้วเราจะเห็นว่ามีที่อาบน้ำที่ลดหลั่นกันลงมามีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอาบน้ำจุดต่างกันนะฮะน้ำสายทานเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันไหลาจากสูงลงต่บ พระเวลาสงน้ําท่านขึ้นไปสงที่เหนือสุดที่กษัตริย์สงเพราะท่านถือเป็นวนนกกรรณกษัตริย์นันนกก็นการวรรณกษัตริย์เป็นการแล้วก็สังคมก็ยอมรับนะยอมรับให้ท่านอยู่ที่นั้นเพราะสังคมเรียกว่าเป็นสมณะศักยบุตรหรือว่าพุทธบุตรนี่ลูกพระพุทธเจ้านี่เป็นบุตรของศักยะและโดยความหมายจริงๆคือพุทธบุตร พุทบุก็คือลูกของพระพุทธเจ้าเพอเมื่อเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นศักิ์ศรีเป็นสถานภาพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าก็สมัยไปอินเดียก็ไปแวะที่นั้นแต่ไม่ได้อาบหรอกก็ไปยืดดูแ้วก่อนนึกถึงปัญหาเรื่องพระวินัยสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารไปค้างอยู่นอกเมือง พระท่านไปอาบน้ำเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงนะฮะที่มันไม่กว้างเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆก็คํามืดแล้วยังอาบกันไม่เสร็จพระเจ้าพิมสารก็ต้องรอพระเจ้าพิมสารก็ต้องสงตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ไปนเนตให้มีการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าในการต่อมาเรื่องเกีย่ยวกับกาเทศะติสระอะไรตา่างๆที่ก็ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับสร้างส ม, มณวันณะขึ้นมาเป็นสร้างสังฆ ค, คือหมู่คณะหนึ่งขึ้นมาล้อมรวมวันนาทั้งสี่แต่ล้อมรวมแบบจอกแหนนะ่คือเราโยนก้อนหินลงไปมันก็แยกออกพอก้อนหินจมหายมันก็เริ่มข้าหากันแล้วก็กลายเป็นพื้นของจอกแหน่เหมือนเดิม บนสังคมอินเดียในปัจจุบันก็ยังมีวันนะในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีนะก็มีอยู่มากไม่ใช่ว่าไม่มีเลยหรอกมันก็ไม่มีในความรู้สึกนึกคิดของหมู่ชาวพุทธนั่ น, น, นเองแต่ว่าในหมู่คนทั่วไปก็ยังมีกันอยู่มากเพราะระบบวันนะถ้าหมดไปเมื่อไหร่ในอินเดียจะเป็นมหาอำนาจจะเจริญมาก เพราะว่าโอกาสทางการศึกษาของคนวรณสูตรนี่มันมันถูกชิงไปเลยหรือแม้ว่าเขาจะทํางานระดับต่ําแต่ถ้าให้เขามีการศึกษาเนี่ยข่าแรงมาก็สูงขึ้นเศรษฐกิจเขาก็สูงขึ้นสังคมก็ดีขึ้นการศึกษาก็จะสูงขึ้นแะไรมันก็สูงขึ้นตามตา ม, ตามก็เป็นการพัฒนาประชากรภายในชาติแต่ว่ามันก็ต้องไม่รังเกียจเดียดฉันกันเรื่องวรณะมากเกินไป ก็หมายความมาเรียนร่วมอยู่ร่วมกินร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้ทำ ง, งานร่วมกันได้นั่งโต๊ะติดกันได้ติดกันได้อะไรต่างๆนั่งก็อีติดกันได้เราจะทำได้เมื่อไรก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าตอนตอนนี้มันเริ่มจะลดลดลงไปแล้วอย่างอินเดียที่ลดเรื่องการรังเกยียจผิวดาเราจะเห็นว่าไม่ใช่ที่อเมริกาเนี่ยก็ลดรังเกยียจพวกนิโครลงไปเยอะ ความรุนแรงต่างๆก็ลดลงไปขนาดประธานาธิบดีก็ยังผิวสีแล้วก็แสดงว่าต่อไปในโลกก็เปลี่ยนเปลี่ยนเขามันได้โดยระบบการสื่อสารการโทรนราคมนาคมการให้การศึกษาและการเคารพสิทธิต่างๆตามที่องค์การประชาชาติพัรุนรงเนี่ยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสูงขึ้นต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี